ศีลที่บริสุทธิ์กับทิฐิที่ตรงก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นบุพภาพแห่งอรหัตตมรรคหรือว่าแห่งโลกุตระแห่งโลกุตระธรรมทั้งหมดเลยถ้าหากว่าไม่มีกุศลศีลเป็นเป็นเหตุใกล้ไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุใกล้ ก, ลกุศลธรรมชั้นสูงเกิดไม่ได้ทีนี้ถามว่าเป็นเหตุใกล้โดยปัจจัยอะไร ศีลกับทิฏฐิที่เห็นตรงเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรแก่อรหัตมรรมก็เป็นปัจจุติกับก็โดยปกตูปนิสยปัจจัยเป็นเหตุธรรมที่ทําไว้ด้วยดีอันเหตุธรรมอ น, นี้นี่ถือว่ามีความสําคัญมากมันคล้ายๆกับเราจะทําถนนใช่ไหมทําถนนนั้นการอัดดินเนี่ยต้องแน่นก่อนการที่เอาดินมาอัดหรือเอาทรายมาอัดถนนนั้นอะ่ะก็เหมือนกับศีลกับสัมมาทิฏฐิ อันผู้ที่มีศีลดีสัมมาทิฏฐิพร้อมที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคนเหล่านั้นก็สามารถที่จะมองเห็นอริยสัจได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานความรู้ในเรื่องกรรมสกตาไม่ดีไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์ไปทําอะไรใช่ไหมไม่รู้ว่าจะบรรลุอริยสัจไปทําอะไรทัานคนที่รู้เรื่องของกรรมสกตาดีจึงเบื่อหน่ายในวัตฏะสงสารอย่างเช่นท่านพระมหากะสะปะ เป็นผู้ที่มีกรรมสักตามั่นคงมากท่านจึงออกบวชเพื่อสแสวงหาโมฆกธรรมเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์มาถึงตรงนี้นี่นะครับถ้าเป็นพวกผมคารวะเนี่ยนะครับจำเป็นไหมครับที่ศีลจะต้องบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราตั้งใจว่าเราก็จ ะ, จะเจริญธรรมะชั้นสูงนี่นะครับใช่พานจำเป็นไหมครับเอาเงินไนดะ้ เรามาใช้คาว่าธรมธรมดาก่อนถ้าคนศีลไม่ดีทั่วไปแล้วเนี่ยให้เขาพิจารณาเรื่องกรรมนี่เขามีศรัทธาไหม<ก>สมมติถ้าหากว่าของตะมานเนี่ย น, นะยุงมาก็กัดกัดไม่ต้องพิจารณาเลยตบทันทีเลยอ่ะใครทำอะไรผิดใจก็ดา่าโกหกได้ก็เป็นโกหกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าพูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาเนี่รับง่ายไหม คงรับง่ยรับยากนะแม้แต่เรื่องกรรมยังรับยากอันการศึกษาพระธรรมที่เป็นไปเพื่อรู้อริยศัสตร์เนี่ยแทบจะไม่มีหนทางเลยเพราะนั้นเขาจะต้องมั่นคงในเรื่องกรรมสักตาว่าบุญที่ทํากรรมที่ก่อเจตนาเหล่านี้ไม่ไร้ผลเมื่อมองเห็นว่าเจตนาเหล่านี้ไม่ไร้ผลเนี่ยมันมีผลอย่างแน่นอนทาให้เพียรทาให้มันทาให้ศึกษาพระธรรมคาสอน เพื่อรู้แจ้งอริยสัจจะทำเพราะว่าอย่าลืมว่าการศึกษาเรื่องสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนาทั้งหมดเพื่อบรรลุอริยสัจการบรรลุอริยสัจนั่นแหละเป็นเกี่ยวกัเป็นผู้ที่ปิดอบายพระโสดาบันนั้นคือบุคคลที่ปิดอบายได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันที่ยังไม่ได้คุณธรรมชั้นสูงกลับมาสู่โลกนี้ไม่เกินเจ็ครั้งนั่นแหละ นั่นหมายถึงว่าผู้ที่ปรัสรู้อริยสัจเป็นครั้งแรกอันพวกสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยข้อเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทีนี้ในอริยสัจธรรมนั้นคนที่มั่นคงในเรื่องอริยสัจคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องกรรมเป็นอย่างดีเพราะว่าข้อปฏิบัติคืออริยสัจหรือว่าอริยมรรคนั้นอะ่ะเป็นธรรมะที่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาอันถ้าเรามาแบ่งเรื่องกรรมนะเราจะรู้ว่าหนึ่ง กรรมดำให้ผลเป็นทุกกรรมดำให้ผลเป็นดำกรรมขาวให้ผลเป็นขาวก็คือกรรมขาวให้ผลเป็นสุขกรรมทั้งดำทั้งขาวคือทำทั้งดีทั้งชั่วก็ให้ผลทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิน้นกรรมนะผู้ที่จะมีกุศลธรรมประเภทกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคกรรมนั้น่ะจะต้องมั่นคงใน กรรมดำก็กรรมดำนี้ให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนกรรมขาวก็ให้ผลเป็นสุขกรรมขาวเนี่ยเบื้องต้นให้ผลเป็นสุขแต่ผลของกรรมขาวก็ยังทุกข์อีกเช่นชาติพิทุกข์ชราทุกขมรณะทุกเป็นต้นก็เป็นถือว่าเป็นผลของกรรมขาวเพราะฉะนั้นเขาจึงศึกษากุศลธรรมเพื่อเบื่อหน่ายแม้ในกรรมดาและกรรมขาวผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อพ้นจากกรรมดํากรรมขาว เป็นผู้ลอยบุญละบาปเขาจึงเรียกว่าระารหัสเหมือนกับในอัชราตสูตรภิกษุรูปนี้เนี่ยท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์มาดีหลายปีด้วยกันนะเรียกว่าศีลของท่านเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดมาตลอดแล้วก็เป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลด้วยแล้วกรรมสกกาของท่านมั่นคงมากท่านความมั่นคงของกรรมสกตา อย่างเช่นข้อสุดท้ายที่เชื่อว่าความตรัสรู้ดีของพระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงเมื่อท่านตรัสรู้ดีมีอยู่จริงอย่างเงี้ยท่านมีศรัทธาในเรื่องกรรมมีความเชื่อในเรื่องกรรมมากขณะที่จะได้เสวยวิบากในเทวโลกไม่ใช่ของยากใช่ไหมที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นในสวรรค์เนี่ยไม่ได้ยากเจินอะไรเท่าไหรหรอกแต่ขณะที่จะมีพระผู้มีพระภาคมาตรัสรู้ธรรม มาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เนี่ยเป็นของยากโอกาสเหล่านี้จะมีเมื่อไหร่อีกเพราะท่านไปเกิดในสวรรค์ถึงความสังเวชใจว่าสิ่งเหล่านี้อท่านได้มานานแล้วได้มาบ่อยแล้วด้วยแต่เรื่องอริยศาสตร์เรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าโอกาสนี้พลาดเมื่อไหร่จะได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกครั้งหนึง่งเพราะท่านก็เลยรีบมาเพื่อที่จะฟังธรรมมาขอฟังธรรมพระผู้มีพระภาคแสดงจบ ท่านก็บรรุเป็นพระโสดาบันอันผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยจึงมีความเบาใจเบาใจแล้วว่าในวัตตะเนี่ยวะตะถึงท่านยังท่องเที่ยวไปแต่อบายทุคติวินิบาตนรกของท่านไม่มีแล้วแต่ของเราเนี่ยมองเห็นสมมุติว่าขออภยัยนะมองเห็นสุนัขขี้เรือนวิ่งตัดหน้าเนี่ยเราพูดเต็มปากเต็มภาพภูมิว่าเออฉันไม่ต้องเกิดเหมือนแกแล้วหรือถ้าหากว่าพระโมคคลานะเนี่ยลงจากภูเขาขึ้นกรูป มองเห็นเปรตท่านยิ้มหัศสสิตุปาท้าจิตของท่านยิ้มแย้มขึ้นจนทะะนารขณาถามที่ท่านยิ้มเนี่ยไม่ได้ยิ้มเยาะเย้ยเปรตหรือถากถางเปรตอะไรแต่ท่านยิ้มว่าอัตภาพเห็นปานนั้นเนี่ยท่านพ้นแล้วท่านพ้นจากคติแบบนั้นแล้วของเราเนี่เห็นสัตว์เดรัจฉานวิ่งมาหรือว่าเห็นควายกําลังไถนาเนี่ยที่ลําปางเนี่ยรถม้ามันลากอยู่เนี่ยเห็นปุ๊บยิ้มเลยเนะอ้ฉันพ้นแล้ว ไม่ยากเลยนะจุติจุติยากไหมจุติจิตเกิดง่าย ไ, ไหมไม่ยากไ ม, ไม่ยากเลยเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษามรณาสนานวิถีมรณามรณาขณะหรือมรณะสมัยเนี่ยเว็บเดียวอ่ะจุติจิตทางปัญจทวารวิถีก็ได้คือหมายคำว่าขณะที่ตากําลังมองเห็นเนี่ ย, ยจะขูวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นสัมปติชนะสันติรณะโวทัพณะชวะณะห้าครั้งจุติจิตทันทีได้เลย อันจุติจิตเนี่ยเกิดง่ายมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องปัจจัยดีจะเห็นว่ามีปัจจัยอะไรที่มั่นมั่นคงถาวรบ้างใช่ไหมจิตเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นผวังขจิตเนี่ยมีอะไรมารับประกันว่าผวังขจิตของคุณจะเกิดอีกยี่สิบปีจะมีอายุไปอีกสาสิปีสี่ิบปีที่เรียกว่ามีอายุแปดสิปีตายเอาอะไรมารับรองกับภวังขจิต แล้วกมรมมชรูปเหล่านี้ในร่างกายจากักประาษาท่โสตภาษาท่าคานประสา ท, สสา ท, าสาท่ชิวหาปภาษาท่ากายาภาสาท่ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองรับประกันว่าปภาษาทรูปเหล่านี้ไม่ดังภาษาทรูปเหล่านี้อยู่ด้วยปัจจัยอะไรบ้างอยู่ด้วยมหาภูตรูปสี่ชีวิ ต, ตรูปเนี่ยหรือชีวิตเนื่องด้วยมหาภูตรูปสี่นี่ในหนึ่งนะต่อไปสอง มหาพตรูปเนื่องออชีวิตรูปเนี่ยเนื่องด้วยอาหารต่อไปมหาพูตารูปชีวิตรูปเหล่านี้เ น, นนเนื่องด้วยจิตนั่นแหละเนื่องด้วยจิตแล้วก็แลจิตเนี่ยมันมันม่นคงไหมล่ะไม่มีความมั่นคงเราเลยเพราะฉะนั้นนี้ผู้ที่มั่นคงในกรรมสักตาดีแล้วเนี่ยจึงทำให้มองเห็นภัยในวัตตะอันยาวไกลเมื่อท่านมองเห็นภัยในวัตตะท่านจึงดิ้น สุดิ์เลยนะเพื่อที่จะหาทางออกถามดินขนาดไหนเขาบอกว่าคนที่กำลังอยู่ในกระท่อมที่ถูกไฟไหม้อะเขาจะทำยังไงนั่งเฉยเลยไหมกระท่อมกำลังถูกไฟไหม้จะทำตัวยังไงหรือคนที่กำลังไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยเขาจะทำยังไงฉันใดพระองค์ทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงเพียรพยายามเพื่อรู้อริยสัจเหมือนกับคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะนะ นั้นประทรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น่ะเพื่อมุ่งให้ถึงโลกุตระธรรมเมื่อถึงโลกุตระธรรมแล้วก็ อ, อันนี้ทรงมากมายมหาศาลอย่างที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ก็แสดงว่ากรมรมสกตาปัญญาเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าโลกียะสัมมาทิฏฐิเหรอครับชก่อนที่จะถึงโลกุตระสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีโลกียะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นพื้ น, นมมเป็นอุปนิสัยให้ แล้วก็จะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเจนพาอันที่จริงมีหลายพระสูตรทีเดียวพระองค์ทรงเน้นนะฮะท่านตัดสั้นๆว่าศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงเจนพาท่านตัดไว้สั้นๆว่าศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงเท่านั้นถ้าผู้ใดนะฮะยังไม่มีโลกียะสัมมาทิฏฐิพระองค์จะไม่ตัดอริยสัจสี่เลยเจนพาพระองค์จะไม่ตัดเลยเจนพาจนกว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะครับเคยมีพื้นอย่างนี้มาก่อน มีความรู้หนักมั่นคงในเรื่องราวเหล่านี้ดีอยู่แล้วแม้แต่ว่าข้าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนมาก่อนเช่นเป็นนักบวชต่างๆแต่ว่านักบวชบางนิกายก็มีปัญญาขั้นนี้กรรมกรรมวารีอยู่แล้วเป็นกรรมวาทีก็มีอยู่ใช่ไหมครับถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้พื้นฐานนี้เต็มแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจสีแต่ถ้าไม่เต็มพระองค์ก็จะต้องแสดงพื้นฐานให้ก่อนพื้นฐานก่อนทันกรรมสกตา โดยทั่วไปในวิปัสนาภูมิคืออะไรปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือกรร ม, มสกตานั่นแหละความรู้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือกรร ม, มสกตาจกครูวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยอนถ้าโดยปฏิจจสมุปบาทก็ต้องบอกว่ามีกรรมเป็นปัจจัยแต่ถามว่าอีกในหนึ่งก็บอกว่าจกครูวิ ญ, ญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีสีกับจะครูวัตถุเป็นปัจจัยนั่นแหละ แล้วก็อวัชนจิตก็เป็นปัจจัยะทีนี้แล้วแต่เราจะแสดงแต่ความรู้ในเรื่องของจกักขูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยคนนั้นจะต้องมั่นคงในเรื่องของกรรมถ้าหากว่าไม่มั่นคงในเรื่องของกรรมปั๊บเนี่ ย, เ, ยเห็นเนี่ยเอ็มโชคดีเนี่ยหว่ารู้แบบนี้มีโชคดีแล้วเกินได้เห็นท่านทั้งหลายถามวโชคหรือเปล่าโชคไหมรูปารมณเกิดด้วยสาเหตุเท่าไหร่สี่อย่างใช่ไหมกรรมจิตอุตุและอาหาร บอกผมมาด้วยกรรมของผมคุณบอกว่าโชคดีได้ยังไงใช่ไหมจจะกรวิญญาณมาด้วยกรรมแสงสว่างมาด้วยปัจจัยของแสงสว่างจักรวัตถุก็มาด้วยปัจจัยของจักรวัตถุไอ้จักรวิญญาณเนี่ยมาจากกรรมที่ไหนมาไม่รู้กรรมในอดีตเป็นนานนะค่ะ ก, กรรมม า, มาประจวบกันเข้าเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาวะธรรมที่เรียกว่าสังขารธรรมนั้นน่ะอาศัยปจัจจัยเนี่ยปรุงแต่งขึ้น หลายประการด้วยกันใช่ไหมอย่างเช่นจักขูวัตถุที่เราเคยศึกษานั้นสี่สิบกว่าปัจจัยนั่นแหละกว่าที่จะขู่วิญญาณจะเกิดขึ้นได้และในตัวจักขูวัตถุตัวตาเองก็มีปัจจัยทั้งหลายอย่างแล้วความรู้ในเรื่องของปัจจัยนี่แหละคือความรู้เรื่องกรรมสกตาถ้าหากว่าความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ไม่มั่นคงถามว่าศึกษาอริยสัจหรือศึกษาวิปัสสนาเพื่ออะไรนั่นแหละเราก็กลายเป็นว่า เดินทางโดยที่จะไปไหนบอกทางนี้ทางตรงมากถามว่าไปไหนไม่รู้แล้วทําไมต้องไปไม่รู้แต่ว่าทางมันดีอ่ะเขาบอกเลยนะเขาบอกให้ไปเขาบอกให้ไปไปทําไมไม่รู้ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ก็แสดงว่าก็ไม่เป็นไรนะถ้าเดินถูกทางก็ดีไปแต่ถ้าคนที่ไม่รู้อันนี้สอไม่รู้จุดหมายปลายทางจริงๆแล้วเนี่ย สักพักหนึ่งจะแวะจากทางไปนานๆเข้าเอ๊ะฉันเดินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นถึงอะไรสักอย่างเลยกลับดีกว่านั่นแหละผู้ที่บำเพ็ญบา ร, รมีแต่ก็ไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์พันนิพพานหรือว่ามรรคผลไว้ก็ไม่มีทางถึงไม่ก็ไม่เรียกว่าบา ร, รมีไงพอถ้าไม่ได้ตั้งความปรารถนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จึงไม่เรียกว่าเป็นบา ร, รมีอะไรเพราะว่าเป็ น, เ ป, นเป็นกุศลธรรมที่เป็นที่เรียกว่าสังขารเท่านั้นเองสังขารที่ปรุงแต่งในจิต ทั้งที่เป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารก็เป็นไปเพื่อเีียนกกรรมเเิดพื่อปฏิสนธิวิญญาณต่อไปท่านั้นเด็กทีนี้ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราจะไปปฏิสนธิที่ไหนนะสมมุติเอ้าเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงในโลกนี้มีกี่คนสมควรจะไปอยู่ในท้องใครในเรื่องของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอีกนัยหนึ่งที่ ที่เราเรียนอยู่ก็คือเรื่องของตอนนี้เรื่องอะไรอยู่ไตราสารณาคมความรู้ในเรื่องของไตราสารณาคมนั่นแหละเป็นความรู้เรื่องกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอันไตราสารณะไตรแปลว่าสามสารณะแปลว่าที่พึ่งหรือเครื่องกำจัดภัยเครื่องกำจัดภัยที่พึ่งของเรามีทั้งหมดอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหม พระพุทธเจ้านี้ถ้าเราจะพูดให้ตรงเลยจริงๆเนี่ยคือใครอ่นนะคือใครพระพุทธเจ้าถ้าเราจะใช้ให้ตรงความหมายคือคือใครไ้มนะผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจจะทำได้ด้วยปัญญาด้วยตัวเองนั่นแหละอันผู้ที่สามารถตรัสรู้อริยสัจจะทำด้วยตนเองโดยที่ไม่มี คนแนะนําสั่งสอนถามว่าทําไมท่านจึงได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมเพราะท่านสั่งสมบารมีมามากแล้วทีนี้ถามว่าท่านเป็นที่พึ่งให้เราแบบไหนเพราะท่านเป็นเครื่องกาจัดภัยท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าท่านทรงเป็นผู้ดําเนินไปในเบื้องหน้าท่านเป็นคติเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ทําลายทุกข์ เป็นผู้จัดแจงประโยชน์ให้แก่เราทั้งหลายการที่เรามีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แนะนำประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้นี่แหละเชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้านั้นโดยคุณแล้วยอ่ยออมีสามอย่างด้วยกันหนึ่งพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาที่คุณพระคุณสามอย่างนี้ เราสวดมนต์ว่าพระอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาอรหังนี่หมายถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทโธบ่งถึงความเป็นปัญญาที่คุณสุดท้ายพะคะวาบ่งถึงความเป็นพระกรุณาที่คุณเพราะพระองค์ทรงจำแนกแจกแจงพระธรรมทีนี้ต่อไปสวาคขาโตพะคะวตาธรรมโมที่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ดีแล้วที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราได้แก่อะไร ได้แก่หนึ่งพระประยิยติสัตธรรมพระประยิยติธรรมสองอริยมรรตสอริยผลสนิพพานนี่แหละเป็นสารณะของของเราทั้งหลายทีนี้ต่อไปพระสงฆ์สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติหรือปฏิปทาคือเครื่องดำเนิน เครื่องดำเนินของท่านดีไม่สุดต่งไม่เป็นอัตตะกิลามัานุโยคไม่ปฏิบัติเพื่อยึดติดในรูปนามขันธ์ห้าและก็ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอัตตะกิรานัฐานอัตตกิรมัานุโยคทำวิบา ก, กรรมมรรูปให้มันทุกทรมานแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามนยะแห่งธรรมสกตาเป็นต้น ผู้ที่มีความเห็นที่ตรงพระสงฆ์คือผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิและศีลเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิศีลของท่านก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยอันวินยูชนสารเสริญเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิะนะนนศีลเหล่านั้นก็คือศีลที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วแล้วก็ทิฏฐิทิฏฐิของพระสงฆ์คือยังไงท่านมีทิฏฐิตาม ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ายังไงท่านว่าตามอย่างเช่นแม้แต่ภาษารีบุตรใช่ไหมถ้าใครมาถามปัญหาท่านหรือพระมหากัจจยนะเป็นต้นถ้ามีคนมาถามปัญหาท่านก็บอกว่าไปเทียบเคียงอ่านะคําพูดของผมให้ไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ายังไงเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณนั่นแหละันผู้ที่มีทิฏฐิตามพระผู้มีพระภาคทุกกระเบียดนิ้วนั่นแหละถือว่าเป็นพระสง ผู้ที่ปฏิบัติปฏิปทาตามนี้แหละเรียกว่าอุชุปฏิปันโนก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ปฏิบัติเพื่ออริยมรรเรียกว่ายายะปฏิปันโนแล้วก็สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติจนได้มรรผลตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆที่เรียกว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นัเรียงตัวบุรุษได้8ดบุรุษนั่นแหละเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้า โดยความหมายของโลกิยะสรนคมเนี่ยมีสาความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งก็ได้แก่การได้เฉพาะคือซึ่งศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็สองเป็นสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิที่ถูกที่ตรงแล้วก็เป็นบุญกิริยวัตถุข้อที่ถูกชั ก, กรกมในบุญกิริยวัตถุทั้ง10ประการนั่นแหละ ทีนี้โลกิยสารณคมนี้นั้นเป็นไปแล้วโดยอาการสี่อย่างคือมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันหนึ่งอตตะสันนิยาณตะอัอตตะสันนิยาตะนะแปลเป็นาภาษาราวะการมอบกายถวายตนสองตับปรายตับปรายนะตาความมีพระตนะตรายนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 3. าสิทธสภาวูปนะัจขมะณะ การเข้าถึงความเป็นสิทธิ์และก็สุดท้ายปณิปาตะการนอบนอบ้อมฉะนั้นผู้ที่จะถึงไตรสรณคมแบบโลกิยะนั้นจะต้องมีการกระทําในสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงไตรสรณคมในสี่อย่างนี้ของเรานี้เป็นข้อไหนข้อหนึ่งนะมอบกายถวายตนสองมีพระรัตนไตรนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้า สามการเข้าถึงความเป็นสิทธ์สี่นอบน้อมเอาสี่ข้อเลยนะมาโอ้สาทุแสดงว่ามั่นคงมั่นคงแต่ <laughs> บอกก็าาหาไม่เจอสักข้อเลยเนี่เอ๊อย่างนี้ น, นอกสาสนาหรือเปล่าเนี่ยอันที่จริงนะฮะในสมัยพุทธกาลนี่นะถ้าพูดถึงว่าเขาจะมอบกายถวายตัวเนี่ยถือใครเป็นสราณะเนี่ยหมายถึงว่าเขา ขั้นมอบชีวิตก็ได้นะครับเจนทานถูกไหมฮะสมมุติว่าความเห็นสองท่านเนี่ยนะฮะมีการโตวาทีกันเนี่ยถ้าฝ่ายใดแพ้นะครับฝ่ายนั้นเนี่ยนะฮะไม่ฆ่าตัวตายก็ต้องมาเป็นศิษย์อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเจนทานนะเพราะเขาจริงจังมากในะในสมัยพุทธกาลนี่นะเขาถือความคิดเนี่ยสําคัญมากถ้าเขายอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับถูกนะครับแล้วก็ขาไปตะแบงอย่างสมัยนี้นะครับ เขายอมรับอีกฝ่ายหนึ่งถูงเนี่ยเขามอบกายถวายชีวิตยอมเป็นศิษย์เลยยกให้เป็นศาสดาเลยใช่ป่นะเพราะฉะนั้นความหมายว่าการมอบกายถวายตนเนี่ยเรายังห่างพอสมควรนะใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูนะข้อหนึ่งเนี่ยการมอบกายถวายตนเป็นลักษณะว่าการปลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอมอบตนแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้ชื่อว่าอัตตะสันนิญาณตะ สนญญาตะนะการมอบกายถวายตนพลีชีพชีพก็คือชีวิตอ่ะนะเหมือนกับทหารเนี่ยสละชีพเพื่อชาติไปรบใช่ไหมสละชีพเพื่อชาติตายก็เป็นตายอ่ะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เหมือนกับการที่เราจะมอบกายถวายชีวิตให้กับผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหม ตรงนี้ก็เหมือนการการที่เรามอบชีวิตแด่พระพุทธศาสนาแสดงว่าเรามีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยเราต้องรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเลยว่าพระพุทธเจ้าคือใครทําไมเราต้องนับถือท่านขนาดนั้นจนถึงกับว่าเอาชีวิตให้ท่านะพระธรรมของท่านดียังไงทําไมเราต้องถึงกับขนาดว่าพรีชีพเลยอ่ะถ้าสงฆ์เนี่ยดียังไงถ้าสงฆ์คือใครกันแน่ ถ้าออกหนังสือพิมพ์อย่างนี้ทุกวันเนี่ยเราจะมอบกายถวายชีวิตให้ยังไงเนี่ยใช่ไหมเราต้องไม่สับสนในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะถ้าผู้ใดที่สับสนก็แสดงว่าคงห่างพระพุทธศาสนาพอสมควรนะนะยังไม่รู้เลยว่าสาระจริงๆเนี่ยคืออะไรทีนี้ต่อไปนะข้อสองความเป็นผู้มีพระธรรตรายนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยคือความเป็นผู้มีพระธรรตรายนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระสงฆ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อว่าตับปรายนะความมีพระธรรมตรายนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคือสมมุติถ้าหากว่าเราจะไปสักแห่งหนึ่งใช่ไหมจะเข้ากรุงเทพอ่ะเรามีคนที่เขารู้เรื่องกรุงเทพดีอ่ะเราก็บอกยกให้คุณก็แล้วกันคุณจะพาผมไปไหนก็ไปเอะผมเนี่ยยกเรื่องนี้ให้คุณเลยเป็นภาระของขุน ฉันใดตรงนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันมอบภาระเรื่องชีวิตให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นผู้ชี้ทางท่านพาท่านให้เราไปไหนเราจะไปตามที่ท่านว่าลักษณะนี้เรียกว่ามีพระรัตนตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าท่านชี้วันนี้เป็นทางดีเราก็ไปตามท่านอะ่ะกล้าปฏิญาณใน ล, ลักษณะแบบนั้นแหละคนนั้นชื่อว่ามีพระรัตนตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า แต่ตอนนี้พวกผมอยู่ในวัยทองก็เพราะว่ากําลังจะเดินทางเนี่ยก็มักจะคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเช่นท่านก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอะ่ะจะเดินทางไกลกันแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ผมมีลักษณะที่ว่ามีพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเจหมายความอย่างนี้หมายว่าที่ไปข้างหน้าหรือเปล่าครับคือหมายคำว่าหรือ<ม>ว่าไม่ใชท่ที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยหมายคำว่าท่านเนี่ยอาเอาใหม่นะ เรามีความรู้สึกนึกคิดตลอดใช่ไหมเราจะขอคิดตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เราคิดเราจะพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ให้พูดเราจะทําอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ทําเพราะว่าชีวิตการเดินทางของในตามแนวพุทศาสนาเดินทางด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอกรรมเหล่านี้เนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคน ชี้แนะเป็นคนฝึกให้เป็นคนบอกเนี่ยหรือว่าเดินตามพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะลักษณะนี้ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าตถาธรรมพระสงฆ์ข้อนี้คงจะมีมีครับ<ช>จะมีมากหน่อยนะแต่ถึงกับว่าปรีทีน่นี่รู้สึกว่ามันดูห่างหยุ่นกันนะไ <c oughs> ม่รู้จะปรีตอนไหนอะ่ะ <c oughs> อันนี้เพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ตรงแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเราจะพูดให้มันเพราะเพราะก็อื้อฉันอุทิตอุทิตชีวิตได้นอะแต่จริงๆแล้ว ไม่แน่เนาะก็พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครที่ยังโกรธอยู่ก็ไม่เชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็แสดงว่าขณะที่โกรธนี่ก็ไม่ได้สละชีวิตให้พระพุทธเจ้าจริงอ่ะก็ลักษณะนี้่นะ